ข้อความมีอยู่ว่าต่อมาจากสมัยของพระโกนาคามณพุทธเจ้าคือวันเวลาผ่านไปหนึ่งพุทธันดร น, นั้นก็มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะผู้สูงสุดแห่งสัสตว์สองเท้าผู้เป็นจอมทัพธรรมคือเป็นหัวหน้ากองทัพธรรมนั้นผู้ทาพระสมีคือทำแสงสว่างให้เกิดขึ้นเรือนของตระกูลมีข้าวน้าโภชนะมากก็สลัดทิ้งแล้ว หมายความว่าท่านเกิดในตระกูลที่มั่งคั่งมากร่ำรวยมากแต่ท่านก็สลัดทิ้งพวกขสมบัติเหล่านั้นให้ทานแก่พวกยาจบยังใจให้เต็มแล้วทำลายเครื่องผูกดัง เ, เครื่องผูกพันเหมือนกับคอกเรียกว่าทาลายเครื่องผูกหรือเครื่องขังเนี่ยเช่นคอกเหมือนโคอุสภะพังคอกฉะนั้นหมายความว่าบ้านเรือนเนี่ยนะสิ่งที่น่าปรารถนาทั้งหมดท่านก็บอกว่า คุกทองหรือว่ากรงทองท่านก็บอกว่าต้องทำลายกรงทองเอาไม้มาให้เราอยู่ในคุกแต่ว่าคุกเรานี่ทาสีทองให้หมดเลยทั้งพื้นทั้งฝาทั้งหมดเลยนะน่าสนใจไหมบอกไม่น่าสนใจฉันใดก็ดีพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้มีอินทรีย์มีบุญบา ร, รมีมาเต็มเปี่ยมมองเห็นพบทั้งสาเหมือนกับกรงทองเท่านั้นเองเหมือนกับอะไรนะคือท่านต้องการอิสระท่านต้องการเป็นเสรีชนท่านไม่ต้องการความ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 ตอนที่พระองค์แสดงอภิธรรมปีดกนะก็มีผู้บรรลุตามอีก2อ0 0 0ื่่งหมื่นโกดครั้นทรงสแสดงย ม, มากาปาฏิหารประกาศพระสัพพัญยุตยานประกาศพระพุทธคุณเนี่ยนะอภิสมัยการตรัสรู้ธรรมการเห็นอริยาศาสตร์ก็ได้มีแก่สัตว์จานวน 5,000 โกดพระชินะพุทธเจ้าประทับนั่งณนะสภาชวสุธรรมมาณนะดาวดึงสเทวโลกประกาศพระพิธรรมทรงยังเทวดา 3,000 ันโกดให้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 ผู้มีจิตสงบผู้คงที่ประชุมสาวกสันนิบาตมีครั้งเดียวครั้งนั้นเป็นสันนิบาตประชุมพระภิษุสาวก ส, สองหมืผู้เป็นพระขีนาสพล่วงพบนะพระขีนาสพเหล่านั้นเสมอกันด้วยหฮริและเสมอกันด้วยศีลก็กล่าวว่าท่านมีศีลเสมอกัรส่วนสมาธินี้จะไม่กล่าวว่าเสมอกันบางท่านได้รูปปัจจันบางท่านถึงอรูปประชาน บางท่านวิชาสามบางท่านอภิญญาหกส่วนคุณระดับสูงนั้นมีความแตกต่างกันบ้างแต่ถ้าหากว่าการก้าวล่วงพบจะล่วงเหมือนกันมีฮิริเหมือนกันมีโอตตะปะเหมือนกันมีศีลเสมอกันมีศรัทธาในพระตัตนะไตรคล้ายกันแต่ไม่เท่ากันเพราะบรรดาผู้ที่มีศรัทธาในพระตัตนะไตรามากมีปัญญา ม, มากก็เลื่อมใสามากพระพุทธเจ้าตรัสเล่าให้ฟังว่าครั้งนั้นพระองค์นั้นเป็นมานพ ปรากฏชื่อว่าโชติปาละเป็นผู้คงแก่เรียนทรงมนจบตรเพศถึงฝั่งในลทัทธิธรรมของตนหมายความว่าจบกระบวนวิชาของศาสนาพราหมณ์ทั้งหมดรู้ลักษณะศาสตร์หมายความว่ามองเห็นคนเนี่ยมองเลยว่าคนเนี้ยความสามารถขนาดไหนเรียกว่าตำราลักษณะว่า ตำราดูว่าหน้าตาแบบนี้จมูกแบบนี้ตาแบบนี้หูแบบนี้ผมแบบนี้คางแบบนี้หน้าผากแบบนี้โหนกแก้มแบบนี้คอแบบนี้บ่าแบบนี้แขนแบบนี้ไล่ตอกบอกเรื่องหมดแล้วว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรปรวมาณั้นเรียกว่าตำราลักษณะศาสตร์แล้วก็คมภีอิติหัสคำภีที่ฉลาดรู้พื้นดินและอากาศมองดินนี้ดูออกเลยว่าดินนี่เป็นดินประเภทไหนอย่างไรก็ดูอากาศเนี่ยรู้ได้ว่าเป็นแดนบินโคจรของนกหรือเปล่า นกบินบ่อยไหมอากาศแบบนี้นะเขเก่งขนาดนั้นเรียกว่าสำเร็จวิชาอย่างทุกอย่างสมบูรณ์ครั้งนั้นอุปถาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระน ะ, ะพระผู้มีพระภาคเจ้ากัสปะอุปถาชื่อว่าคติการะเนี่ยนะเป็นอนาคามีบุคคลเป็นบุคคลที่น่าเคารพน่ายำเกรงเป็นบุคคลที่พระองค์แนะนำในอริยผลที่สามหมายความว่าพระพุทธเจ้าสอนคติการะอุบาสกให้บรรลุเป็น พระอนาคามีท่านคติการะอุบาสกพาเราเข้าไปเฝ้าพระกัสปะชินะพุทธเจ้านนก็คือได้เพื่อนดีได้สหายดีเพื่อนก็เลยชวนเพื่อนเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ก็ได้ฟังธรรมพอฟังธรรมแล้วก็สังเวชสลดใจออกบวชในสำนักของพระองค์เราเป็นผู้ปรารบความเพียรฉลาดในข้อวัดน้อยใหญ่ ไม่เสื่อมไม่คลายเนี่ยนะหมายก ว, ว่าการในการประพฤติปฏิบัติไม่มีการย่อหย่อนตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณในข้อไหนท่านจะทำได้หมดอย่างไม่เสื่อมจึงสามารถทำคำสอนของพระชนะพุทธเจ้าให้บริบูรณ์เนี่ยนะในวิสัยของพระโพธิสัตว์ที่พึงทำได้ท่านทำได้ครบถ้วนสมบูรณ์ พระโพธิสัตว์นั้นเล่าเรียนระวงังฆาสัตุศาสตร์คำสอนอันประกอบไปด้วยองค์ก้ามีสุตตะเคยยะวยากรณะคาถาอุทานนิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทละก็คือเรียนพระไตรปิฎกอย่างแตกฉานพระพุทธวจนะ ต, ตลอดทั้งหมดเนี่ยนะเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดอย่างพระาศาสนาของพระชินะพุทธเจ้าให้งดงามก็คือช่วยกันประกาศเป็นต้นพระพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้น เห็นความอัศจรรย์ของเราก็พยากรณ์เราว่าในพัทธกับนี้นนะอีกหนึ่งพุทธันดรข้างหน้าท่านผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้านะนะรอหน่อยเถอะนะแผนดินสูงอีก20กิโลรอไปหน่อยเรวจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระตถาคตคือผู้ที่สร้างบารมีมาจนเต็มเตี่ยมอย่าลืมว่าคำว่าตถาคตนี่หมายคําว่า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 สร้างบารมีจนเต็มเปี่ยมนะเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมมีอุปนิสัยที่จะได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณนั น, นความที่อินทรีแก่กล้าปัญญนทรีแก่กล้าเห็นเทวทูตก็ออกอภิเนิสกรมจากกรงกบิลพัฒ์อันน่ารื่นรมตั้งความเพียรรมทุกะกิริยาพระตถาคตประทับนั่งนะักโคนต้นอชาปาละนิโครดคือต้นไทรเนี่ยนะนะต้นไทรที่พวกเด็กเลี้ยงแก่ไปพักกันนะ่ รับเข้ามาทุ ป, ปายญาติณที่นั้นเสร็จแล้วก็เข้าไปยังแม่น้ําเนรัญชาลาพระชนะพุทธเจ้าพราะองค์นั้นเสวยเข้ามาทุ ป, ปายญาติที่ริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชราเสด็จดําเนินตามทางอันดีที่เขาจัดแต่งเอาไว้เข้าไปที่โคนโรพพลกจากนั้นพระผู้มีพระย์ยิ่งใหญ่ทรงกระทําประทักษิณโพที่มันทสถานอันยอดเยี่ยมตรัสรู้ณโคนโรพเพลกคือต้นอสัตถ h เนี่ยนะก็ต้นโพใบ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 พระพุทธเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าพญา ม, มาก็ขีดเส้นที่หนึ่งขึ้นมาแล้วว่านับคํานวณมาหนึ่งเจ้าพระสิท ธ, ธะท่านให้ทานท่านให้ทานมาอย่างไม่มีส่วนเหลือเราไม่เคยให้ทานนี้เป็นความด้อยของเราข้อที่หนึ่งนั่นนะเราเนี่ยแพ้ท่านข้อหนึ่งข้อ2พระสิท ธ, ธะท่านรักษาศีลมาจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เราไม่ได้รักษามาอันนี้ข้อด้อยข้อที่2ขีดไล่อย่างเงี้ยไปเรื่อยนะ พระสิทธิฐานเนี่ยท่านเจริญเนคขมมะมาอย่างสมบูรณ์เราไม่ได้เจริญเนคขมมะมาเลยนะก็ไล่กับพระสิทธิฐานสร้างปัญญาบารมีมาจนสมบูรณ์เราไม่ได้สร้างบารมีเนี่ยนะพระเออพระสิทธิฐานสร้างวิริยะบารมีมาเราไม่ได้ทํามาเลยพระสิทธิฐานมีขันติบารมีเราไม่มีขันติบารมีพระสิทธิฐานมีสัจจะบารมีเราไม่มีสัจจะบารมีพระสิทธิฐานมีอธิษฐานบารมีเราไม่มีอธิฐานบารมี พระสิทธธรรมีเมตตาบารมีเราไม่มีเมตตาบารมีพระสิทธธรรมสร้างอุเบกขาบารมีมาเราไม่ได้สร้างเลยสรุปว่าพระสิทธธรรมสร้างบารมีสิบอุปปารมีสิบปรมัตตาบารมีสิบมาเนี่ยเราไม่ได้ทําอะไรมาเลยจะมาแย่งแต่ที่นั่งอย่างเดียวแค่นี้นะพญามารเ้าคิดนะของเราก็บอกไม่ได้สร้างมาแต่ขอมาไหว้ผู้ที่สร้างมากันแล้วกันงั้นอันนี้ในที่หนึ่งะบอกว่า10ข้อแล้วเป็นความพ่ายแพ้ของพญามารสิบโมฆข้อใหญ่ก็คือไม่ได้สร้างบารมีมาแล้วต่อไป เมื่อเราไม่ได้สร้างบารมีมาจึงไม่คู่ควรแก่อินทรียพะโปรปริยัติยานอาสยานุสยายานย ม, มะกะปาติหาริยยานมหาการุณาสมาบัติยานสัพพายุตยานและอนนาวรณายางพระโพธิสัตว์ท่านสร้างบารมีมาท่านจึงคู่ควรแก่อาสาธารณายานหกท่านจึงคู่ควรเพื่อที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าส่วนเราเปล่าเลย น, นะก็เลยเป็นความาพ่ายแพ้นั่งน้อยเนี่ยนะนั่งน้อยลูกสาวบอกเออเดี๋ยวจะไปช่วยแทนไง ที่มาของนางตันธานางราคาและนางอรดีเนี่ยนะก็มันก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าที่โคนต้นโพเพราะพระองค์นั้นบําเพ็ญบารมีสิบมาจนเต็มเปี่ยมรวบรวมโพที่ปักขยธรรมจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าณโคนต้นอสัตถพฤกแล้วก็พยากรณ c o n j u g a t กว่าท่านผู้นี้จะมีพุทธมารดาพระนามว่าพระนางมายาพระพุทธบิดาพระเจ้าสุดโททนะท่านผู้นี้มีนามตามโคตว่า โคตมะจกมีอัคระสาวกชื่อว่าโกริตะและอุปติสะทั้งคู่นั้นเป็นผู้ไม่มีอาสะวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่นพุทธอุปถาคนที่คอยบำรงพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ชื่อว่าพระานันทะจะคอยปรนิบัติรับใช้พระพุทธเจ้าพระองค์นี้ท่านจะมีอัคระสาวิกาเนี่ยนะนักบวชหญิงอันดซ้ายขวาชื่อว่าพระเขมาและอุบลวันนา ทั้งคู่เป็นผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่นโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นอสัต tha หรือว่าต้นโพใบพระองค์จักมีอัคราอุปถาคยมอุปถาผู้ชายชื่อว่าจิตตะและหัตถะอลาวะกะ อ, ะอัครอุปถายิกาอุปถากหญิงชื่อว่านันทมาตาและอุตราพระโคตมะผู้มียศพระองค์นั้นมีพระชนมายุ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 มันมือโลกกรธาตุทั้งเทวดาก็พากันโหร้องปรบมือโห่ร่อร่าเริงประคองอัญเชลีนมัาสาการกล่าวว่าถ้าหากว่าพวกเราพลาดจากศาสน า, าของพระโลกกระนาฏพระองค์นี้หมายว่าถ้าพลาดจากพระพุทธศาสน า, าของพระพุทธเจ้ากัสสปะในอนาคตอีกหนึ่งพุทธรรันดรเราจะขออยู่ต่อหน้าท่านผู้นี้เพื่อที่จะข้ามโอฆสงสารเปรียบเหมือนอย่างว่าพวกมนุษย์ทั้งหลายถ้าหากว่าจะข้ามแม่นม้ําพลาดจาก ท่าน้ำคือพลาดจากเรือที่ข้ามฟากลำลำเฉพาะหน้านี้เดี๋ยวขอขออะไรขอข้ามแต่ะนะท่าน้ำที่อาศัยเรือข้างหลังต่อไปก็สามารถที่จะข้ามแม่น้ำใหญ่ได้ชันใดชันใดก็ดีเพื่อเราทั้งหมดถ้าเกิดหากว่าผ่านพน้นพลาดโอกาสไม่ได้กำหนดรู้ทุกละสมุไทยทำนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรรคไม่สามารถตรัสรู้อริยสัจในพระพุทธเจ้าพระองค์นี้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 เราทําแต่กิจกรรมทํากิจที่ทําได้ยากคื อ, ก า, อการสร้างบารมีทั้งหมดเนี่ยชื่อว่าเป็นการกระทําที่ทําได้ยากถึงจะยากเราก็ทําเพราะอยากได้โพธิญาณอย่างเดียวบอกตรงๆบอกว่าทำไมจึงทําขนาดนี้ทําไมจึงทนขนาดนี้อยากเป็นพระพุทธเจ้าอ่ะนะเพราะอยากเป็นพระพุทธเจ้าเด็กบางคนทํำไมขยันเรียนจังเลยบอกเพราะอยากได้ที่หนึ่งอ่ะมั้ง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 พระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันเท่านั้นจึงจะได้รับแต่ถ้าเป็นบุคคลปกติธรรมดาทั่วๆไปไม่อยู่ในฐานะไม่อยู่ในวิสัยที่จะได้รับเนี่ยนะไม่อยู่ในฐานะได้รับได้รับอะไรได้รับพุทธคุณเช่นกับพระพุทธเจ้าส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะนั้นมีอยู่ว่าที่พระนครพาราณสี นะนะารณสีนะซึ่งไปเพิ่งไปกันมาเนี่ยนะนะมีกษัตริย์นามว่าพระเจ้ากีกิหรือพระเจ้ากิงกินะก็สามารถเรียกได้หลายชื่อนะพระเจ้ากีกิหรือกิงกิเนะี่ยตระกูลของพระกัสปะพุทธเจ้าเป็นตระกูลใหญ่อยู่ในพระนครนั้นคือท่านเกิดในตระกูลพราหมนะพระกัสปะสัมมาสามัมพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีพระพุทธบิดาเป็นพราหมณ์ชื่อว่าพรหมทัตนะนะพระชนนีเป็นพราหมณีชื่อว่า ธนวดีนะพระพุทธมิดาขอไปพระพุทธมานดานั้นเป็นพรามณีชื่อว่าธนาวดีนางผู้มีทรัพย์ว่างนันพระองค์นั้นครองคารวะวิสัยอยู่ 2,000 ปีสมัยนั้น2 0,000 ปีนะก็สังเกตนิดหนึ่งบอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดอายุเกิดในยุค3 0,000 ปีพระองค์ก็ครองคาวาะวิสัยเท่าไหร่ก็ 3,000 ปีถ้า4ี่0 0ื่ปีก็ครองคารวะวิสัยส0่พปี พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยร้อยปีของคารวะวิสัย29่สินนะปีนะยี่ปีพระองค์นั้นครองปราสาทชั้นเยี่ยมหรือมีปราสาทสามหลังสามฤดูชื่อว่าหังสะยะสะและสิริจันทะมีหญิงที่คอยดูแลรับใช้ประมาณ 48,000 นางนะเป็นเจ้าหนะ้าที่คอยผลัดเปลี่ยนมาดูแลตั้งกต่ไล่ตั้งการพวกทหารยามพวกชาวสวนพวกอะไรจะเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยนนะ มีนางสุนันทาเป็นประมุขพระองค์นั้นมีบุตรบุตรชื่อว่าวิชิตเสนเนี่ยนะวิชิตเสนพระผู้สูงสุดในบุรุษหรือว่าผู้สูงสุดในนรชนหลังจากที่เห็นหน้าบุตรก็เห็นนิมิตสี่ด้วยเห็นคนแก่เห็นคนป่วยแล้วก็เห็นคนตายเห็นนักบวชเนี่ยนะก็เลยช่างยับยัง้งช่างใจว่าเอาอยัางไงดีในที่สุดก็ออกอภินษสกรมพร้อมกับปราศาสตร์ ไหมปราสาทนี่พาเหาะไปเลยลอยไปเลยนะีนะถ้าเป็นสมัยก่อนบอกว่าโอ้ปราสาทมันลอยไปได้ยังไงก็ mm hmm. บอกก็ดูเครื่องบินสมัยใหม่เนี่ยมันลำเล็กสัที่ไหนไม่รู้มันขึ้นได้ยังไงไม่ทราบนีนะใหญ่มากเลยนะไม่รู้ขึ้นได้ยัง ไ, ไ, ไงเพ ร, ราะฉันั้นใดแต่สถานนี้ขนาดคนมีกิเลสอย่างนี้ยังบินขึ้นฟ้าได้แล้วคนมีบุญล่ะเนี่ยนะทำไมจะเป็นไปไม่ได้เนี่ยนะหลังจากนั้นพระองค์ก็บําเพ็ญเพียรรวบรวมโพธิปักจิยธรรมอยู่7วันด้วยกัน พระมหาวีระกัสปะผู้นำโลกผู้สูงสุดนนโรชนหลังจากที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเท้ามหาพรหมอาราธนาพระองค์ก็ประกาศพระธรรมจักรณมิขทัยวันก็คือปาอิสิปตนะมฤุกทัยวันะะนะนะพระกัสปะพุทธเจ้าผู้ผสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีพระอัครสาวกชื่อว่าพระติสสะและพระภารัตวชะพุทธอุปทาก์ชื่อว่าพระสัพพมิตร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 เหมือนดวงจันทร์ทรงกลดเนี่ยนะก็คื อ, อพระรัศมีที่ที่พุ่งจากแสงเนี่ยน ะ, ะพุ่งออกจากกายเนี่ยนะก็เหมือนกับสายฟ้าแลบหรือว่าเหมือนดวงจันทร์ทรงกลดที่มีรัศมีวงรอบอนนะแผ่เป็นช่อบเป็นชอบเป็นช่อบ อ, ออกมานะพระผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีพร ะ, ะพระชนมายุร่วมสองห0ื่นปีเนี่ยนะพระองมีพระชนมายุยืนถึงเพียงนั้นจึงยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอคะ ถามว่าตอนที่พระองค์เป็นพระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่พระองค์ทาอะไรบ้างบอกว่าพระองค์สร้างสะธรรมะเนี่ยนะสร้างสะก็คือสร้างบอ่อน้ําใหญ่คือธรรมะประทานศีลเป็นเครื่องรูปไล้พระองค์ก็ให้ผ้านุ่งผ้าหม่มแจกจ่ายพวงมาลัยธรรมะเนี<ๆ>่ยนะก็ทุกอย่างเนี่ยเป็นบอ่อน้ําที่สร้างด้วยธรรมะศีลเป็นเครื่องรูปไล้ผ้านุ่งห่มก็เป็นธรรมะแจกจ่ายพวงมาลัยคือธรรมะ มาธรรมะในที่นี้ไม่ใช่แจกจ่ายทุกข์สัตว์เนี่ยนะอีทางทุกข์ังอริยสัจจังเนี่ยไม่ใช่แจกทุกนะไม่ใช่แจกสมุทัยแต่แจกนีโรดแจกมรรคเนี่ยนะนะทำอย่างไรเขาจะได้ตรัสรู้พระนิพพานแทงตลอดปฏิบัติตามอาริยมรรคได้ <S <S พระองค์ทรงตั้งธรรมะอันใสสะอาดเป็นกระจกเทรวแว่นธรรมแก่มหาชนคนเราใดเราหนึง่ง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 ประธานเกราะสวมอันสูงสุดพระองค์ประธานสติเป็นโลกประทานยานเป็นหอกคมกริบ ป, ประธานธรรมะเป็นพระขันคือดาบอย่างดีประทานศีลเป็นเครื่องย่ำยีศัตรูนะยานยานเป็นหอกคมกริบนั้นหมายถึงวิปัสนาญาณ ป, ประธานธรรมเป็นขันอย่างดีหมายถึงมัคคิญศีลเป็นเครื่องย่ำยีศัตรูประธานวิชาสามเป็นเครื่องประดับ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 ทั้งหมดสิ้นนั้นก็อันตรธานไปสิ้นสังขารทั้งปวงก็ว่างเปล่าแน่แท้เนี่นนะเรียกว่าหมดยุคหมดสมัยก็สูญหายตายจากกันไปหมดพระชินาศาสดาพระมหากัสปะพุทธเจ้าพระองค์นั้นดับขันปรินิพานณวิหารเสตัพรามพระธาตุของพระองค์ไม่กระจายก็จึงมีการสร้างสถูปของพระองค์ณพระวิหารนั้นสูงหนึ่งโยชนะเจดียทองของพระกรสปะพุทธเจ้า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 สถานที่ตรงนี้เป็นเจติยาสถานเป็นสถานที่เคารพตามประเพณีของพวกข้าพเจ้าเป็นเชื้อสายวงตระกูลบรรพบุรุษพากราบพาไหว้ตรงนี้สถานที่ตรงนี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะนี่ เ, เรียกว่าโชคดีของกันนะนะแขกพูดภาษาไทยบอกไหวและโชคดีกันแล้วกันนะนะบอกนีมนฉันน้ําให้ผมหน่อยผมจะได้โชคดีเพราะงกันแขกเขาเขาชอบเรื่องโชคเรื่องอะไรของเข้ามากเลยนะ พระพุทธเจ้าก็เรียกพราหมณนั้นมาชื่นชมยินดีพระองค์ไม่ได้ตําหนินะบอกโอ้เธอไปไหว้เจดีตรงนั้นทําไมไปไหว้เหมือนกับว่าไปไหว้ซ า, ากอินซากปูนทําไมพระองค์ไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยพระองค์บอกชื่นชมยินดีบอกว่าพราหมณ์ท่านไหว้สถานที่ตรงเนี้ท่านทําดีแล้วทําดีนะดีนะยินดีด้วยนะที่ได้กราบไหว้สถานที่ตรงนี้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 ในมัชชิมาเนกาเสร็จแล้วพระองค์ก็เนรมิตเจดี JD ทองของพระกัสสปะทศพลคือสมัยก่อนเนี่ยนะตอนที่สร้างเจดีมีลักษณะอย่างไรพระองค์ก็อธิษฐานเนรมิตขึ้นมาตรงนั้นเป็นเจดีสูง1โึ่งยอและพระเจดีทองอีกองค์หนึ่งเอาไว้ในอากาศนะนะเนรมิตเป็นเจดีทองลอยในอากาศเลยนะครอบบริเวณนั้นก็เหมือนกับคล้ายอะไรนะคล้ายกับฉายอะไรบางอย่างที่มันในอากาศดูเป็นรูปภาพนั่นเอง